ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตาปัฏ p h ุภาพิขขาและบุภาพิกขาวันน า, นาพระอั ม, มาราทิรกิตะอัมรโรเกิดวัดบรมนิวาสรจชนาต่อไปจากพันานาในพินทวาทิฏฐานาจิปัะพระ ข, ะข้อที่ห้า ว่าด้วยเรื่องของการพินทุอธิษฐานวิธีการทำพินทุอธิษฐานเป็นต้นจะกล่าวด้วยผ้าควรอธิษฐานก่อนผ้าควรอธิษฐานมีเจ็อย่างคือไตรจีวรผ้าสามผือนอย่างหนึ่งวสิกะสาธิกาผ้าอาดน้ําฝนอย่างหนึ่งนิสีเดนะผ้าปูนั่งผ้ารองนั่งอย่างหนึ่ง ปัจจัตทระระาผ้าปูนอนอย่างหนึ่งการดูปฏิดฉาดิผ้าปิดีอย่างหนึ่งมุขะปูญชนะโจระผ้าเช็ดหน้าอย่างหนึ่งปริหานโจระแล้วก็ท่อนผ้าเป็นบิดาขานใช้เล็กน้อยคือพวกผ้าตรองน้ำพวกถุงบาทที่ได้ขนาดผ้าเหล่านี้ต้องอธิษฐานตามชื่อแห่งตนแห่งตนโดยทรงอนุญาตไว้ว่า อนุชานามิพิขเวก็ความละติจิวรังอจิฐาตุงนวิกัปเปตุงวสิกะสาติกังวัสานะสะจาตุ ม, มาสังอจิฐาตุงตโตปรังวิกัปเปตุงป จ, จัตธรณังอจิฐาตุงนวิกัปเปตุงตันดุปฏิฉาดิงยาวะอาบาทาอธิฐาตุงตโตปรังวิกัปเปตุง มุขาปุลชนะโจรังอธิษฐาตรงณวิกาเปตุงปริขาราโจรังอธิษฐาตุงณวิกาเปตุงแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้อธิษฐานไตรจีวรไม่ให้วิกาให้อธิษฐานผ้าวัสิกะสาธิกาสิ้นสี่เดือนแห่งฤดูฝนเบื้องหน้าแต่สี่เดือนให้วิกาให้อธิษฐานผ้านิสีธนะไม่ให้วิกา ให้อธิษฐานผ้าปัจจัตทารณะคือผ้าปูนอนไม่ให้วิกัตให้อธิษฐานผ้าการู้ปฏิฉาดิคือผ้าปิดฝีเพียงอาพาธอยู่เบื้องหน้าแต่อาพาธหายแล้วให้วิกัตให้อธิษฐานผ้ามุขะปุญชนาโจระคือผ้าชิดหน้าไม่ให้วิกัตให้อธิษฐานผ้าปริฐานโจระไม่ให้วิกัตไตรจีวรผ้าสามผืนนั้นก็คือสังคติผ้าผ้าผ้าสำหรับซ้อนหรม อุตราสงผ้าหม่มอันตรวาสกผ้านุ่งผ้าทั้งสามผืนนี้ต้องตัดเย็บทำให้ถูกตามลักษณะให้ได้ประมาณและย้อมให้ได้สีทำกับตะพินทุแล้วจึงอธิษฐานจะไม่ตัดไม่ควรด้วยทรงผ้าไว้ว่านะพิขเวอจินนากานิจิวราณิทารตบานิแปลว่าอย่าพึงทรงผ้าที่ไม่ได้ตัดถ้าเธอใดทรงผ้าไม่ได้ตัด ต้องถูกกดเมื่อจะทำให้ถูกลักษณะพึงทำดังพระองค์ตรัสชมพระอานอนท์ทรงอนุญาตว่าปันย An ิโตภิกขเวอานันโดข็ความละกุสิงตินามะกริสติอัตถากุสิงตินามะกริสติข็ความละขินนกังอันตรวาสกังแปลว่าดูก่อนที่จุทั้งหลาย อ, อนอนท์เป็นคนฉลาดมีปัญญาใหญ่ ได้รู้เนื้อความแห่งคําที่เราตถาคตพาสิทธิ์โดยย่อได้โดยพิดารเธอได้ทำทั้งกุศิทั้งอัทธากุศิด้วยทำทั้งมณพลทั้งอัทธมนฑลด้วยทำทั้งมิวัตต์ทำทั้งอนุวิวัตต์ด้วยทำทั้งคิเวยากะทั้งชังเคยยกะด้วยทำทั้งพาหันตะด้วยเป็นผ้าตัดเส้าหมองหรือสัตราเป็นสมณสารูป เป็นผ้าอันคนเป็นฆ่าศึกคือโจรไม่เพ่งเฉพาะคือไม่อยากได้ด้วยและเราตถาคตอนุญาตสังคาติก็ให้ตัดอุตราสองก็ให้ตัดอันตรวาศกก็ให้ตัดดังนี้จะกล่าวตามพระอัตถกถาก่อนกุศินั้นเป็นชื่อแห่งแผ่นผ้าที่ยาวเป็นต้นว่าอนวุวาา ด, ด้านยาวและด้านกว้างอันทักุศินั้นเป็นชื่อแห่งแผ่นผ้า ที่ในระหว่างระหว่างมนทนใหญ่ในขันอันหนึ่งหนึ่งแห่งจีวรประกอบด้วยขันห้า น, นี้ชื่อว่ามนทนมนทนเล็กในขันอันหนึ่งหนึ่งแห่งจีวอเช่นนั้นชื่อว่าอัฐะมนทนเย็บมนทนกับอัฐะมนทนติดเข้าในที่เดียวกันขันก็คือกระทงกลางชื่อว่าวิวตัตต ขันคือกระทงทั้งสองในร้างทั้งสองแห่งวิวัตะนั้นชื่อว่าอานุวิวัตะอาอักันตุกะปะตะคือแผ่นผ้าอื่นที่เย็บลงด้วยได้เพื่อจะทำให้มั่นในที่ที่พันคอชื่อว่าทิเวยกะแผ่นผ้าที่เย็บติดลงด้วยได้เช่นนั้นในที่ที่ถูกแข้งชื่อว่าชังเคยกะบางอาจารย์ว่าดังนี้ บ้างว่าที่เวยากะและชังกคยกะนั้นเป็นชื่อแห่งแผ่นภาพทั้งหลายที่ติดลงในที่พันคอและในที่ถูกแข่งขันคือกระทงอันหนึ่งหนึ่งในภายนอกแห่งอนุวิวัตานี้ชื่อว่าพาหันตะคำอันนี้นั้นพิจารณาคือกล่าวด้วยจีวานประกอบด้วยขันห้าอีกอย่างหนึ่งอนุวิวัตานั้นเป็นชื่อแห่งขันคือกระทงทั้งสอง ในข้างข้างหนึ่งแห่งวิวัตะและเป็นชื่อแห่งขันคือกระทงทั้งสามหรือสี่ในข้างข้างหนึ่งแห่งวิวัตะนั้นเมื่อหอบจีวรมีประมาณเสมอกันค่อยๆม้วนขึ้นวางบนแขนที่สุดทั้งสองมีปากออกมาข้างนอกก็แลพาหันตะนั้นเป็นชื่อแห่งที่สุดทั้งสองที่มีปากข้างนอกนั้นในอันนี้ท่านกล่าวไว้ในมหาอัตตกถา ซึ่งพระอาจรย์กถาอาจารย์ยกเอาอนุวาสซึ่งเป็นผ้าพระองค์ทรงอนุญาตภายหลังวิธีทำชีวรนี้มากล่าวว่าเป็นกุศิด้วยนั้นเพื่อจ ะ, ะแสดงว่าแผ่นผ้าที่เล็กยาวชื่อว่ากุศิสิน้นแต่ว่าตามวิธีทำชีวรนี้แผ่นผ้าที่เล็กยาวเสมอมณฑลชื่อว่ากุศิแผ่นผ้าที่เล็กสั้นยืนตามอัฐมณฑลคดี อยู่ในระหว MM ่างมณฑลและอัฐะมณฑลก็ดีชื่อว่าอันทกุติสิ้นกระทงยาวชื่อว่าวิวัตะกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองชื่อว่าอนุวิวัตะผ้าอัฐะมณฑลที่ถูกคอในเวลาห่มชื่อว่าทิเวยกะผ้าอัฐะมณฑลที่ถูกแข้งชื่อว่าชังเกยิกะผ้าอัฐะมณฑลที่ถูกมือชื่อว่าพาหันตะ รวมความตามวาทะในอัตถกถาได้ความดังนี้และจะกล่าวตามนักปราดผู้ฉลาดท่านคิดไว้ว่ากุตินั้นเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กยาวยืนขึ้นไปด้านกว้างตามมณฑ น, นอัตตกุติเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กสั้นยืนขึ้นด้านกว้างตามอัตตมณฑ น, นและมณฑนนั้นเป็นชื่อท่อนผ้าที่ใหญ่ยาวยืนขึ้นไปด้านก้างตามกุติ อัฐมณฑลก็เป็นชื่อท่อนผ้าที่ใหญ่สั้นยืนขึ้นไปด้านกว้างตามอัฐกุศิวิวัตะนั้นเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กยาวไปตามด้านยาวอยู่ในระหว่างมณฑลกับอัฐมณฑลและระหว่างกุศิกับอันทกุศลในกระทงกลางอนุวิวัตะเป็นชื่อแผ่นผ้าที่เล็กยาวไปตามด้านยาวอยู่ในระหว่างมณฑลกับอัฐมณฑล อยู่ในระหว่างกุศิกับอันธพาลกุศลข้างนอกในกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองขี่ไวยะกะนั้นคือกระทงกลางเพราะอัทธาเมตทนในกระทงนั้นถูกกัดคอในเวลาหมชังไยกะนั้นคือกระทงทั้งสองในข้างทั้งสองเพราะอัทธาเมตทนในกระทงเหล่านั้นถูกกับแข้งในเวลาหม ขาหารตะนั้นคือกระทงทั้งสองในที่สุดเพราะอาจข้ามณฑลในกระทงนั้นอยู่ในที่สุดแถนในเวลาโมคำอันนี้พิจารณาในจีวรที่ประกอบด้วยขันห้าคือห้ากระทงให้นักปราผู้มีปัญญาพึงพิจารณาดูเถิดข้อหนึ่งพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตเลยว่าอนุชานามิพิขเวข้อความละ ติจีวรังดิกุณังสังคาติงเอกั จ, จิยังอุตราสังขังเอกั จ, จิยังอันตรวาสกังแปลว่าเราตถาคตอนุญาตไตรจีวรผ้าสามผืนอนุญาตผ้าสังคติสองชั้นผ้าห่มชั้นเดียวผ้านุ่งชั้นเดียวข้อหนึ่งส่งอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวเข้อความละ อาหตาหนังดัสานังอาหตากัปปนังดิกุณังสังขาติงเพราะความละอุตุทะตาหนังดุสานังจัตุคุณังสังขาติงดุคุณังอุตราสังกังดุคุณังอนุตรวาสกังต้องเป็นอันตรวาสกังปังสุกูเลยาวดัดถังปาปะนิเกอุสาโหกะระนิโย แต่ว่าเราจะถาคพัอนุญาตผ้าสังคติสองชั้นผ้าผมชั้นเดียวผ้านุ่งชั้นเดียวทำด้วยผ้าใหม่และผ้าที่ซักทีหนึ่งแล้วเมื่อผ้าถอนจากกระดูคือผ้าเก่าแล้วให้ทาเป็นสังคติสี่ชั้นเป็นผ้า่มสองชั้นเป็นผ้านุ่งสองชั้นและในผ้าเป็นบางสกุลให้ทำเพียงใดแห่งความต้องการในผ้าที่ตกในระหว่างร้านตลาด พึ่งทำความอุตสาหะคือสแสวงหาก็แลในผ้าบางสกุลและผ้ากีริว้วซึ่งตกตามร้านตลาดนี้ไม่มีกำหนดแม้สักร้อยชั้นก็ควรผ้าทั้งปวงเหล่านี้พระองค์กล่าวไว้แก่พิสุที่จะยินดีอยู่ก็แลผ้าตรายจีวรนนี้เมื่อผ้าซึ่งจะตัดทั้งสามผืนไม่พอพึ่งทำให้เป็นผ้าตัดสองผืนทำเป็นผ้าไม่ได้ตัดผืนหนึ่ง ถ้าผ้าที่จะตัดไม่พอสองผืนเราไส์ให้ทําเป็นผ้าไม่ได้ตัดสองผืนทําเป็นผ้าตัดผืนหนึ่งโดยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวเข้าความละดเวฉินนาการิเอกังอัดฉินนากังอนุชานามิภิกขเวเข้าความละเดเวอัฉินนาการิเอกังฉินนาการ์ดังนี้ ถ้าตัดแม้แต่ผืนหนึ่งไม่พอให้ติดผ้าอันวาธิกะอันวาธิกะก็คืออาคันตุกะปะตะหมายถึงแผ่นผ้าดามเข้าจะไม่ตัดเลยสักผืนหนึ่งไม่ควรเพราะฉะนั้นผืนใดผืนหนึ่งนี้ต้องตัดด้วยทรงอนุญาตนะฮะไวว่าอนุชานามิภิกขเวเข้อความละอันตวาธิกังปิอารโรเปตุง น่าจะพิกเวสับบังอาชินนักบังทาเรตะบังแปลว่าเราจะถาคตอนุญาตให้ยกแม้ซึ่งผ้าดามก็แต่พิจุอย่าพึงทรงผ้าไม่ได้ตัดเลยทั้งหมดถ้าเธอใดทรงผ้าเช่นนั้นต้องทุกข์กดก็แลผ้าดามนี้เมื่อผ้าที่จะทำไม่พอพึงยกขึ้นดามเธอถ้าผ้าที่จะทำพออยู่ไสอาคันตุกปตะคือผ้าดามไม่ควร พึงตัดให้ได้ทีเดียวจะกล่าวด้วยประมาณประมาณท่าตรายจีวร น, นั้นโดยกำหนดอุกรฤษยางใหญ่ต่ำกว่าสุกศจีวรจึงควรถ้าอย่างใหญ่นี้ต้องต่ำกว่าขนาดสุกศจีวร9เก้าคือคูณหกคือพัทสุกตโดยกำหนดยางเล็กผ้าสังคาติและผ้าอุตราสงสองนี้โดยยาวสี่ศอกกับศอกมุติคือวัดได้สี่ศอกแล้วศอกที่ห้ากมือเสีย โดยกว้างสองศอกกับศอกมุติดังก่อนจินควรก็คือกว้างก็ได้แก่วัดได้สองศอกแล้วศอกที่สามกำมือเสียยาวห้าศอกกำกว้างสามศอกกาส่วนผ้าอันตรวาศกโดยยาวสี่ศอกกับศอกมุติก็คือห้าศอกกำเนั่ยแหละโดยกว้างแม้สองศอกก็ควรก็ห้าศอกกำคูณสองศอกกลางยาว ด้วยว่าสะดืออาจจะเอาผ้าห่มปิดก็ได้อยู่ผ้าที่ใหญ่และเล็กกว่าประมาณดังกล่าวนั้นไม่ควรจะอธิษฐานเป็นไตรชีวรนผ้าที่ทำแล้วพึงย้อมด้วยน้ำย้อมหกอย่างก็คือน้ำย้อมที่เกิดแต่รากและหัวและเง้าแห่งไม้ทั้งปวงยกแต่หาฤทิ์ดังก็คือขมิ้นเสียขมิ้นนี้เอามาย้อมไม่ได้ไม่ควรนะนอกนั้นควรสิ้น น้ำย้อมเกิดแต่ต้นไม้ทั้งปวงยกเว้นมันเช็ถังก็คือฝางตุงคะหารังแกแลแกแลด้วยฝางด้วยสองสิ่งนี้ไม่ควรนอกจากน้ำย้อมควรสิน้นไม้มีน้ำอย่างหนึ่งชื่อว่าตุงคะหาระน้ำย้อมเกิดแต่ต้นไม้นั้นสีดังหรดาล น, น้ำย้อมเกิดจต่เปลือกไม้ทั้งปวงยกเว้นโลดดังโลดดั ง, ดดงก็คือเปลือกโลด กันดลังเหลือกมาพูดสองอย่างนี้ตกเว้นนะนอกนั้นก็กวรสิ้นน้ำย้อมเกิดแต่ใบทั้งพวงยกอันลิ ป, ปตังคือใบมะเกลือนีลปตังใบครามสองสิ่งนี้เสียนอกนั้นก็กวรสิ้นแต่ผ้าที่กระหัดเขาบริโภคแล้วนั่นจะย้อมด้วยใบอันลิ ป, ปตักก็คือใบมะเกลือห น, หนึ่งก็ควรอยู่ถ้าเป็นผ้าที่กระหัดเขาบริโภคนี่ก็ เอาใบมะเกลือมาย้อมกระควรน้นําย้อมเกิดแต่ดอกไม้ทั้งปวงยกเว้นกินสูกับปุบผังดอกทองกวาวกุสุมพระปุบผังดอกคัมสองสิ่งนี้เสียนอกนั้นควรสิน้นน้ําย้อมเกิดแต่ผลไม้ทั้งปวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะไม่ควรไม่มีเลยบาลีซึ่งทรงอนุญาตน้ําย้อมนั้นว่าอนุชานามิพิกเวก็ความละ ชารชนานิมูลรชนังขันธะเพราะความละตัจาปัตตาปุภาภาะรชนันดังนี้น้ําย้อมที่ห้ามนั้นตามอัตถกถาน้ําย้อมทั้งหกนี้ย้อมเข้าแล้วให้พ้นสีที่ทรงห้ามเจ็ดอย่างมีสีเขียวเป็นต้นดังกล่าวแล้วในจีวรปฏิสังยุตและให้ควนสีดังอาช้างและ ฟางข้าวเหล่านี้เสียจึงควรอาการซึ่งจะยอมผ้านั้นพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในปริชารักษานั้นเถิดยอมแล้วพึงทำกับปักพินทุด้วยของเขียวหรือตม้มหรือว่าของดำอันใดอันหนึ่งในที่แห่งใดแห่งหนึ่งยกแต่รังดุมลูกดุมเสียคือทำที่ตัวผ้าชิวเนี่ยยกเว้นรังดุมลูกดุมให้โตถ้าแววตา น, นกยุง จุดคุ้มรองให้เท่าเวลตาทุกอยู่แล้วก็กล่าวคําว่าอิมังพินทุ ก, กับปังคารโรมิดังนี้แล้วพึ่งอธิษฐานเถิดก็แลอธิษฐานผ้าเป็นสองอย่างก็คืออธิษฐานดกายอย่างหนึ่งอธิษฐานด้วยวาจาอย่างหนึ่งถ้าผ้าสังาติเก่ามีอยู่พิ่งถอนอธิษฐานเสียด้วยคําว่าอิมังสังขาิติงปัจจุธรามิข้าพเจ้าถอนสังคติกุ่นนี้แล้วก็ เอามือจับผ้าสังคติใหม่หรือวางไว้ในอวัยวะในตัวแล้วก็ทำความผูกใจว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานิเราอธิษฐานผ้าสังคติผืนนี้ทากา ย, ยวิการอยู่ก็คือเอามือรูปทรไปรูปธํามานี่นะอธิษฐานด้วยกายเถิดนี้แลชื่อว่าอธิษฐานด้วยกายอธิษฐานด้วยกายานั้นจะไม่ถูกต้องด้วยอวัยวะ ตัวแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ควรก็คือจะต้องเอาเอาอยุว่าอยู่ในหนึ่งนี่ถูกต้องกับสังขติอยู่แต่ในอธิษฐานด้วยวาจา น, านั้นพึงทำวจีเพศอธิษฐานว่าอิมังสังคาติงอธิษฐานมิดังนี้อธิษฐานด้วยวาจาก็ต้องเปล่งวาจามานะแต่ถ้าอิฐานด้วยกายก็บ่มพึงพำอยู่ในใจก็ได้แต่ว่ามือก็ต้องลูกคลำไปลูปคลำมา อธิษฐานนั้นมีอีกสองอย่างก็คือในหัตถบาดกับนอกหัตถบาดถ้าผ้าอยู่ในหัตถบาดไซส์ให้เปล่งวาจาว่าอิมังสังคาติงอธิษามิไอสารชังวาจาเนี่ยมีสองอย่างในหัตถบาดกับนอกหัตถบาดถ้าอยู่ในหัตถบาดก็ให้เปล่งวาจาอิมังสังคติงอธิษามิดังนี้ถ้าผ้าอยู่ภายในห้องหรือว่าบนประสาหรือว่าในกุดีไกลให้กําหนดที่วางไว้แล้วก็เปล่งวาจาว่า เอตังสังคาติงอธิฐานิเราอธิฐานผ้าสังคาติผืนนั่นดังนี้เถิดในผ้าอุตตราสง์และอันตรวาส ก, ก็เหมือนกันอย่างนั้นด้วยว่าแปล ก, กันแต่ชื่อเท่านั้นเพราะเหตุนั้นผ้าทั้งปวงพึงประจุดถอนและอธิฐานตามชื่อผ้านั้นๆเถิดจะประจุดถอนถอนอธิษฐานผ้าหฮมอยู่ใกล้ก็ว่าอีมังอยู่ไกลก็ว่าเอตัง เอตังอุตราสังคังปจุธรามิผ้านุ่งถ้าอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลก็ว่าเอตังอันตรวาสังคังปจุธรามิอธิษฐานผ้าห่มถ้าอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลว่าเอตังอุตราสังคังอธิษฐานิผ้านุ่งอยู่ใกล้ก็ว่าอิมังอยู่ไกลก็ว่าเอตังอันตรวาสกังอธิษฐานิก็มีคาถามว่า ไตรจีวรจะอธิษฐานเป็นบริขารโจรจะควรหรือไม่ควรแก่ว่าได้ยินว่าพระมหาปฐุมเถระท่านกล่าวไว้ว่าผ้าไตรจีวรต้องอธิษฐานเป็นไตรจีวรแท้ถ้าผ้าไตรจีวรจะพึงอธิษฐานเป็นบริขารโจรได้เราใส่บริหารการรักษาไตรจีวรในอุโทโธสิตะสิกขาบทก็จะพึงไม่มีประโยชน์ไปเสียคำของพระมหาปฐุมเถระนี้แหละชอบแท้ แต่ว่าในอัตถกฐานท่านก็แสดงความคิดเห็นนะว่ามีพระเถระอีกหลายท่านที่บอกว่าการที่ถอนอธิษฐานแล้ว่าอธิธานเป็นบริขารโจรเหมาะสําหรับผู้ที่อยู่ป่าจะได้ไม่ต้องกังวลผู้ที่อยู่ป่าแล้วก็เจริญสรรมถ่ยปัตนาจะตปองกังวลมากๆสรรมถานไม่เจริญเหมาะในการที่จะอธิธานเป็นบริขารโจรในอัตถิฐานท่านให้ความเห็นอย่างนั้นแต่ว่าพระมหาปทุมนี้ก็บอกว่าควรที่จะ ไอ้ฐานเป็นผ้าตรายจีวร อ, อย่างเดิมไม่ควรไอ้ฐานมีาฐานโจรเพราะว่าไม่ได้บริหารในการรักษาศีขาบมบดใ น, นการรักษาตราจีวรในศีขาบทอุโดสิตะข้ออยู่เปิดจากตรายจีวรสิมราตรีหนึ่งก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจุดประสงค์ให้รักษาตรายจีวร น, นั่นก็ให้กานผู้มีปัญญาพิจารณาเขาเดกันก็แลผ้าอาบน้ําฝนผ้ารองนั่งผ้าปิดสีนี้ อาการที่จะทําและประมาณพึงรู้ดังกล่าวแล้วในปาจิตตินั้นเถิดผ้าอาน้ำฝนนี้ก็ขนาดหกคืบคูณสองคืบครึ่งคืบครึ่งของพระสุคตแล้วก็ผ้าปูนั่งยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งผ้าปิดปีนี้ก็สี่คืบปูนสองคืบของพระสุคตแต่ผ้าปูนอนผ้าเช็ดหน้าผ้าบริการโจรสามนี้วิธีจะทําและประมาณนั้นพระองค์หาได้กล่าวไว้ไม่ ถ้าอาน้ำฝนที่ไม่เกินประมาณถึงอธิษฐานสิ้นสี่เดือนฤดูฝนโดยในดังกล่าวแล้วนั้นเถิดทาอธิษฐานก็ว่าอีมังวัตสิกะสานติกรงอธิฐามิดังนี้เบื้องหน้าแต่ดูฝนสี่เดือนแล้วไปพึงทอนอธิษฐานเสียแล้วก็วิกัดไว้ถ้าอาบน้ำฝนนี้แม้จะย้อมพอทําลายสีก็ควรแต่สองผืนไม่ควรได้แค่ผืนเดียว ถ้ารองนั่งพึงอธิษฐานโดยในดังกล่าวและเถิดคำอธิษฐานนี้ว่าอิมังนิสีเะดังอธิษฐานมิดังนี้ก็แลผ้ารองนั่งนั้นกอบด้วยประมาณผืนเดียวก็ควรสองผืนไม่ควรแม้ผ้าปูนอนต้องอธิษฐานแท้คำอธิษฐานว่าอิมังปัจจัตทรนังอธิษฐานมิดังนี้แต่ผ้าปูนอนแม้จะใหญ่ก็ควรแม้ผืนเดียวก็ควรแม้มากก็ควรเอาไว้ผลัดเปลี่ยนกันนั้น ใช้ลายืนได้ถ้ามากก็อธิษฐานว่าอีมานิปัจจัทธารณา น, านิอธิษฐานมิดังนี้ผ้าปูนอนนี้แม้จะเขียวหรือเหลืองมีชายหรือว่ามีชายดังดอกไม้ก็ดีทั้งปวงควรทั้งสิน้นอธิษฐานคราวหนึ่งแล้วก็เป็นอธิษฐานแท้อธิษฐานครั้งหนึ่งไม่ต้องอธิษฐานบ่อยๆผ้าปิดฝีประกอบด้วยประมาณยังอาภาษณ์อยู่ปราบใดก็พึงอธิษฐานปราบนั้น คำอธิษฐานว่าอิมังกันรูปติฉาดิงอธิษฐานนี้ดังนี้เมื่ออาภ า, าระนับแล้วพึงปัดจุดถอนเสียก็คือถอนแล้วก็กวิกลับไว้ถ้า ป, ปีนี้ควรแต่ผืนเดียวเท่านั้นถ้าเช็ดหน้าต้องอธิษฐานแท้คำอธิษฐานว่าอิมังมุขะปุญชนะโจรังอธิษฐานิดังนี้ผืนเดิ่งยังซักอยู่ตราบใดผืนอื่นจะต้องปราถนาเพื่อจะบริโภคตราบนั้น เพราะเหตุนั้นผ้าเช็ดหน้านี้แม้สองผืนก็ควรเปนผ้าเช็ดหน้าของท่านก็คงจะต้องใหญ่เพราะที่ต้องอธิษฐานเนี่ยหมายถึงว่าแปดนิ้วคูณสี่นิ้วพระสกุลจึงควรอธิษฐานแต่ว่าถ้าเล็กกว่านั้นเหมือนกับผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายสมัยนี้ก็กว้างยาวไม่ถึงแปดนิ้วคูณสี่นิ้วนะั้นท่านเล็กก็ไม่จําเป็นต้องอธิษฐานผ้าบริหานโจรแม้เป็นถุงบาทและผ้ากรองน้ําที่มี ประมาณเท่าปัดฉิมจีวรซึ่งควรวิกับคือแปดนิว้วคูณสี่นิว้วกระสุดหรือว่าดอกหนึ่งคูณคืบหนึ่งกว้างยาวของช่างไม้ปัจจุบันเนี้ต้องอธิฐานเป็นอธิฐานโจรทำอธิษฐานนี้ก็อีมังจีวรงังปริขาระโจรงังอธิษฐา น, นิต้องได้ขนาดจึงอธิฐานดังนี้มากด้วยการแม้จะรวมการเข้าอธิฐานว่าอีมานิจีวรานิปริขาระโจรานิอธิษฐานมิดังนี้ก็ควรแท้ แต่ในผูกเตียงผูกตังหมอนผ้าปาวานผ้าโกเชาเหล่านี้ก็ดีและถ้าปัจจัทรณะเครื่องลาชซึ่งเขาถวายเพื่อเป็นบริการแห่งเสนาธนก็ดีเหล่านี้กิจซึ่งจะอธิษฐานไม่มีเลยถ้าเป็นของพระจำเสนาชนะนี้ไม่ต้องไปอธิษฐานถ้าที่จะอธิษฐานทั้งกวงผืนเดียวถ้าอยู่นอกคันตะบากให้ว่าเอตังแทนอีมังหลายผืนแปนว่าเอตานิแทนอีมานิดังนี้เถิด ปัจจุทอนอธิษฐานผ้าปัจจุทอนก็คือการถอนอธิษฐานก็คือการให้ตั้งเอาไว้ตามชื่อของเขาว่าดังนี้อิมังสังคาติงปัจจุทรามิข้าพเจ้าถอนสังคติผืนนี้อิมังอุตราสังคังปัจจุทรามิข้าพเจ้าถอนอุตราสองผืนนี้อิมังอันตรวาสกังปัจจุทรามิข้าพเจ้าถอนอันตราวาตกผืนนี้อิมังนิสีตะนางปัจจุทรามิข้าพเจ้าถอนผ้าปูนั่งผืนนี้ อิมังวสิกังกาติกังปจุทธรามิขับเจ้าถอนผ้าอาบแลผืนนี้อิมังการุปปติฉาดิงปจุธรามิขับเจ้าถอนผ้าติดปีผืนนี้อิมังปัจทะระนังปจุทธรามิขับเจ้าถอนผ้าปูนอนผืนนี้อิมังมุขาปุญชนะโจรังปจุธรามิขับเจ้าถอนผ้าเช็ดหน้าผืนนี้อิมังปริขาระโจรังปจุทธรามิขับเจ้า ถอนบริขารโจรผ้าบริขารโจรผืนนี้ถ้าหลายผืนพระว่าดังนี้อิมานิปัจจัทรานิปัจจุธทรามิขับเจ้าถอนผ้าปูนอนหลายผืนเหล่านี้อิมานิมุกขะปุญชะโจรานิปัจจุตทรานิขับเจ้าถอนผ้าเช็ดหน้าหลายผืนเหล่านี้อิมานิปริการโจรานิปัจจุธทรามิขับเจ้าถอนผ้าบริหารโจรทั้งหลายเหล่านี้ดังนี้เถิด อติฐานกนถาจบต่อไปก็ด้วยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิกความละอติเรกะจีวรังวิกัปเป ต, ตุงอนุชานามิพิคเวกคว า, ามละอาญาเมนะอัฏฐานภูรังสุขตงังภูเลนะจตุรังภูละวิทธตังปัจจิมังจีวรังวิกัปเป ต, ตุงแปลว่าเราจะถากดอนุญาตให้วิกัปผ้าอัจเตกจิวร เรื่องของวิกัพนะถ้าไปละเจ็ดจีวรก็ต้องวิกัพเอาไว้เพราะว่าถ้าเกินสิบวันไปก็ต้องอาบัตในสกิยาปจิตรีตข้อหนึ่งเราจะถาคฎอนุญาตให้วิกัพผ้าปักชิมมัจจีวรคือผ้าอย่างเล็กใดยาวแปดนิ้วว่างสี่นิ้วด้วยนิ้วพระสุคตเป็นอย่างเล็กก็แนผ้าอย่างเล็กควรวิกันั้น ว่าตามสุกตะวิทัตธิวิธานปะปกรว่าประมาณตามนิ้วช่างไม้ทุกวันนี้ยาวสิบนิ้วกับสามกระเบียดกว้างห้านิ้วกับกระเบียด1ดกับอีกสองอนุกระเบียดอันนึงถ้าอาบน้ำฝนผ้าปิดสีพ้นการในสิทานแล้วพึงวิกับโดยวิธีดังนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผ้าที่เหลือเฟือมาเนี่ยนะเป็นอจเดกีวรเนี่ยถ้า จะเก็บเอาไว้ก็ต้องวิกัพใน่งั้นก็ต้องอธิษฐานต่อให้เกินสิบวันไปก็ต้องอบัตนี่สกิยาะฏิตีแล้วก็พวกผ้าปิดฝีผ้าอาบน้ำฝนถ้าพ้นการแล้วก็ต้องวิกัพเอาไว้วิกัพนั้นมีสองอย่างก็คือวิกัพต่อหน้ากับวิกัพรับหลังวิกัพต่อหน้านั้นดังนี้พึงรู้ว่าผ้าผืนเดียวและมากและตั้งอยู่ใกล้และไกลในหัตถบัดอยู่ใกล้ผืนเดียว พึงกล่าวว่าอิมังจีวรังหลายผืนว่าอีมานิจีวรานิถ้าอยู่ไกลผืนเดียวก็ว่าเอตังจีวรังหลายผืนก็ว่าเอตานิจีวรานิแล้วลงปลายว่าตุหังวิกัปเปมิดังนี้ทุกทีในสํานักพิจูรูปหนึ่งเถอดเช่นอิมังจีวรังตุหังวิกัปเปมิอันนี้ชื่อว่าวิกัปต่อหน้าอย่างหนึ่งด้วยวิกัปเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรจะบริโภคหรือว่าเสียสละ หรืออธิษฐานไม่ควรต่อเมื่อผู้รับวิกับกล่าวว่าไม่หังสันตการหรือว่าไม่หังสันตการนี้ตามผืนเดียวและมากผืนแล้วลงตอนท้ายว่าปาริพุนชาวาวิจักเชยิวายะถาปัจจยังวากโรหิดังนี้แล้วชื่อว่าเป็นอันปัจจุทรคือถอนให้แล้วตั้งแต่ปัจจุทอนแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นควรอยู่อีกอย่างหนึ่งเพรู้ว่าผืนเดียวหรือมากผืน แน่ตั้งอยู่ใกล้หรือว่าไกลแล้วกล่าวว่าอีมาจีวรางหรือว่าอีมานิจีวราณ้หรือว่าเอตังจีวรังหรือว่าเอตานิจีวราณิดังก่อนในสํานักพิตรูปหนึ่งแล้วถือเอาชื่อแห่งสาสตธมิกทั้งห้าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งตนชอบใจแต่ไม่อยู่ในที่นั้นแล้วก็ลงท้ายว่าติา ด, ด, ดสัสภิคุโนวิกัาเปมิ หรือว่าติดศัสะสามเนรักษะวิกับเตมิดัง น, นี้ตามชื่อสาธรรมิกซึ่งตนชอบใจนั้นทุกครั้งทุกทีในสำนักภิจุรูปหนึ่งนั้นเถิดแม้อันนี้ก็ชื่อว่าวิกับต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันด้วยวิกับเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรแต่ในการบริโภคเป็นต้นแม้แต่สิ่งหนึ่งก็ไม่ควรจะในเสสะอธิษฐานไม่ได้บริโภคไม่ได้ พอเมื่อพิกจูซึ่งรับวิกับต่อหน้านั้นกล่าวว่าติดสัตสัพิคุโนสันตะกังเขาคำละติดสัตสัมเนรสสักสันตกังปริพุนชวาวิสัตเชหิวายธาปเจจังวาคโรหิดังนี้ตามชื่อขา่าวรมิซึ่งวิกัพใ้นั้นแล้วจึงชื่อว่าเป็นอ่านปัจจุทอนก็คือถอนตั้งแต่เวลาปัจจุทธรแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรวิกัพต่อหน้านนสองอย่าง วิกัพเอ่ยชื่อขางสาธมนิกกัไม่เอ่ยชื่อสาธมนิกส่วนวิกัพรับหลังนั้นดังนี้เพิ่งรู้ว่าผ้าผืนเดียวน้ะมากและตั้งอยู่ใกล้หรือไกลแล้วกล่าวว่าอิมังจีวราังหรือว่าอิมานิจีวรานิหรือเอตังกีวราังหรือเอตานิจีวราณิดังก่อนลงกลายว่าตุยหังวิกัพปนัฐฐานะมิดังนี้ในตำหนักที่สุวรูปหนึ่งเถิด พิสูนั้นพึงถามเจ้าของผ้าว่าใครเป็นมิตรหรือว่าใครเป็นเพื่อนเห็นหรือว่าเป็นเพื่อนกินของท่านเล่าดังนี้แล้วเจ้าของผ้าก็พึงบอกชื่อตามชอบใจว่าพิสูชื่อติตตะหรือว่าสัมเนธชื่อติตตะเป็นมิตรเึ็นเพื่อนของข้าพเจ้าดังนี้ตามชอบใจของตนแล้วพิสูผู้รับทิกลับนั้นพึงกล่าวอีกว่าอะหังติตตะพิกคุโนดา ม, มิหรือว่าอะหังติตสะสัมเนรสะดามิดังนี้ ตามชื่อที่เจ้าของท้าบอกนั้นเถิดอันนี้ชื่อว่าวิกับรับหลังด้วยวิกัปเท่านี้จะเก็บไว้ย่อมควรแต่จะบริโภคเป็นต้นแม้แต่สิ่งหนึ่งย่อมไม่ควรต่อเมื่อพิกษุผู้ช่วยรับวิกัปให้นั้นกล่าวคำเป็นต้นว่าติดสัตสภิคุโนโ ส, สันตะการปริพุลชวาวิสาเชหิวายถาปัจยังวาการโหหิโดยในดังกล่าวแล้วในวิกัปตอนหน้าที่สองนั้นแล้ว จึงเป็นอันปัจจุทอนก็คือถอนตั้งแต่ปัจจุทอนแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรถามว่าวิกัปต่อนหน้ารับหลังสองอย่างนั้นแปลกันอย่างไรวิกัปต่อหน้ากับวิกัปรับหลังเนมันต่างกันอย่างไงแค่ว่าในวิกัปต่อหน้านั้นวิกัปเองแล้วก็ให้ผู้อื่นถอนวิกัปเองแล้วได้ผู้อื่นถอนในวิกัปรับหลังนะั้นให้ผู้อื่นวิกัปให้ด้วยแล้วก็ให้ผู้อื่นถอนให้ด้วย ดัมีความแตกต่างกันวิกัพต่อหน้านั้นตัวเองวิกัพสต่วราให้คนที่รับวิกัพถอนให้ถ้าวิกับรับหล้วนี่ให้ผู้อื่นวิกัพให้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นถอนให้ด้วยถ้าแลวิกัพแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นคนไม่ฉลาดในบัญญัติไม่รู้จักจะถอนพึงถือเอาผ้านั้นไปหาที่ตุอื่นซึ่งเป็นคนฉลาดพึงวิกัพอีกแล้วให้เธอนั้นถอนให้ วิกัปซ้ำซึ่งผ้าที่วิกัไปไว้แล้วนั้นย่อมควรไม่เป็นไรจงเดไปให้ใครวิกัปแล้วก็ปริจิตรูปนั้นก็ไม่รู้วิธีการถอนนี่ตับแล้วไปวิกัปใหม่แล้วก็ให้กระถอนให้ในดีกาวิมติวิโนธนีกล่าวว่าซึ่งคําในอัตถกาถากล่าวว่าตั้งแต่ปัจจุดถแล้วไปแม้จะบริโภคเป็นต้นย่อมควรด้วยคํานี้แสดงว่าแม้ถึงทําการปัจจุดถอถอนแล้ว ผ้านั้นก็คงเป็นผ้าวิกัปอยู่นั่นเองจะเป็นอัตติเดชีวรไปนั้นหามิได้แต่ควา God. มจริงถอนแล้วก็น่าจะพ้นจากผ้าวิกัปนะเคยวิกกัปแต่ว่าถอนวิกัปแล้วก็ไม่ได้วิกัปแล้วนี่แต่ว่าในนี้ท่านก็บอกว่าก็เป็นผ้าวิกัปอยู่นั่นเองไม่เป็นอัตติเดชีวรแต่ผ้านั้นที่ตุอยากจะาริษฐานด้วยชื่อแห่งไตรจีวรเป็นต้นก็เพิงอธิษฐานเถิด แต่เธอผู้ไม่อยากอธิษฐานก็พึงทำให้เป็นผ้าวิกับอยู่เช่นนั้นบริโภคเิดกล่าวดังนี้แล้วก็ห้ามคําอาจารย์บางพวกซึ่งกล่าวว่าวิกับแล้วได้แต่เก็บไว้อย่างเดียวถ้าถอนวิกับแล้วพึงอธิษฐานบริโภคดังนี้แล้วก็อ้างเหตุและอุทาหอนต่างๆใจความสังเกตว่าวิกับแล้วให้ถอนวิกับเสร็จแล้วบริโภคเถิดแม้ร่วงสิบวันไม่เป็นนิสสที ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเอาเถิดวิกัปะกปะนาถาจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิกัปเพราะฉะนั้นท่านก็บอกเอาวิกัปแล้วเมื่อพอแล้วก็ไม่ใช่เป็นผ้าวิกัปแล้วให้ใช้ไปได้เลยไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แต่ว่าก็มีบางในที่ท่านก็อขัดแย้งอยู่นี่ก็ควรพิจารณาต่อไปอธิษฐานในวิกัปสองอย่างนี้พึงทําในผ้าอัจติจีวรแต่ภายในสิบวันถ้ า, าไว้ ให้ผ้านั้นเกินสิบวันไปผ้านั้นเป็นนิสกีต้องปาจิตตีด้วยปฐมกฐินสิกขาบทเก็บผ้าอัตติกิวันเกินสิบวันเนี่ยต้องนิสกียปาจิตตีจีวราทิฏฐานวิกัปปนาจบเรื่องของการอดิฐานะวิกัปจีวรวันนี้ก็สมควรจะเวลาก็รขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะสิกขาบทที่เป็นอาธิติรและสิกขาในปาติโมกแล้วก็นอกปาติโมกเหล่านี้ซึ่งเป็นอธิศิรและสิกขาเพื่อกลูแกล อธิจิตแล ะ, ะก็อธิปัญญาขอให้ท่านได้ตั้งพร้อมบริบูรณ์ด้วยตรสิกขาประชุมอริยามรรคเมืองแปนแล้วก็ตากรู้อริยสัจธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากวัฏฏะโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ